มีแม่คนหนึ่งนะเห็นลูกสาวเนี่ยพูดโกหกหลายครั้งแม่เห็นลูกสาวนี่ยังเล็กอยู่นะเลเรียงมาอบรมสั่งสอนนะว่าคนเราเนี่ยควรจะพูดความจริงเพราะว่าการพูดเท็จการโกรหกนี่มั น, เ ป, นเป็นบาปแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ก็ควรพูดความจริงไม่ควรโกหกกบเกือนถึงแม้ว่าเราอาจจะถูกตําหนิก็ตามแต่มันก็ดีกว่านะการมันดีกว่าหากว่าเราพูดความจริงถ้าเราพูดโกหกนี่มันจะมีปัญหาตามมามากมายนะแม่ก็สอนลูกเนี่ย อธิบายผลนะยืดยาวเลยมันเป็นชั่วโมงเลยนะจนกระทั่งลูกสาวนี่เข้าใจแล้วลูกสาวก็สัญญากับแม่ว่าเนี่ยต่อไปนี้หนูจะพูดความจริงแม้ว่าบางครั้งจะทำอะไรไม่ถูกต้องนะก็จะยอมรับจะไม่โกหกจะไม่ปกปิดเพราะรู้ว่าเนี่ยการพูดเท็จนี่มันเป็นบาปแล้วก็จะสร้างความ เดือด ร, ร้อนตามมามากมายระหว่างที่แม่กำลังอบรมสั่งสอนลูกนะคนใช้ก็มาแล้วก็บอกว่าคุณคะมีโทรศัพท์มาคุณแจ๋วอยากจะพูดสายด้วยแม่รีบตอบกลับไปทันทีเลยนะ บอกคนใช้ว่าไปบอกคุณแจว่าฉันไม่อยู่นะแม่นี่ไม่ได้ฉีฉลียวใจเลยนะว่าไอสิ่งที่พูดกับคนใช้นี่มันสวนทางกับสิ่งที่แม่เนี่ยสอนลูกนะแม่สอนลูกให้พูดความจริงนะแต่กลับไปอบอกคนใช้ให้โกหกนะ คนที่เป็นลูกคงจะงงนะเอาไหนแม่บอกว่าคนเราควรจะพูดความจริงแต่ทำไมแม่พูดโกหกนะลูกก็คงจะไม่ค่อยเชื่อนะว่าสิ่งที่แม่พูดเนี่ยเนะี่ยมันมีความหมายจริงๆเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ได้ทำตัวเป็นแบบอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะ หลายครอบครัวอเด็กจำนวนไม่น้อยนี่พบว่าสิ่งที่พ่อแม่พูดสิ่งที่พ่อแม่สอนเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่แม่ทำหรือสิ่งที่พ่อปฏิบัติอันนี้ก็ทำให้สิ่งที่พ่อแม่สอนเนี่ยมันมีน้ำหนักน้อยนะน้ำหนักเนี่ยมันจะมีมากนี่ก็ต่อเมื่อ สิ่งที่พูดนะกับสิ่งที่ทำเนี่ยของผู้ใหญ่เนี่ยมันตรงกันและที่จริงแล้วถึงแม่ไม่พูดเนี่ยแต่ว่าทำเนี่ยมันมีน้ําหนักมากกว่าแม่จะไม่ได้สอนลูกให้พูดความจริงอย่าพูดปลดแต่ว่าถ้าแม่เนี่ยทำให้ลูกเห็นนะว่าแม่เนี่ยไม่เคยพูดปลดกับใครหรือถึงพูดปดนะก็อาจ ก็จะรู้สึกผิดนะก็ต้องขอโทษขออภัยอ่า น, นี่มันก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำการกระทำหรือพฤติกรรมเนี่ยมันมันมีน้ำหนักนะหรือว่ามันส่งเสียงดังกว่าคำพูดนะอันนี้มันก็ ค, คล้ายๆกับนะครูเนี่ยที่ สอนหรือว่าสั่งให้นักเรียนนั่งสมาธิบางทีพานักเรียนมาเข้าคอร์สนะปฏิบัติธรรมเจริญสติที่วัดเนี่ยก็เขี่ยวเข็นนะให้นักเรียนเนี่ยนะมานั่งมานั่งสมาธิเจริญสติแต่ครูไม่ทำนะพอเด็กมานั่งสมาธิ พอเดี๋ยวมาเจริญสติครูก็ไปทื่นบางทีก็ไปนอกวัดบางทีก็ไปสังสรรค์กันนะแล้วเสร็จแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยสมาธินี่ดีนะเจริญสตินี่ดีนะอย่างนี้มันจะมีน้ําหนักได้อย่างไรนะนักเรียนนี่จะเห็นจริงได้อย่างไรนะว่าการเจริญสติการนั่งสมาธินี่ดีพอแม่แต่ครูนี่ก็ยังไม่ทําเลย แดีว่าแต่นั่งนั่งสมาธิจริลสติเลยนะไม่ใชทางการฟังธรรมเนี่ยครูบอกว่าการฟังธรรมเป็นสิ่งที่ดีนะเธอควรจะรู้ธรรมะนะแต่ถึงเวลาพระแสดงธรรมนี่ก็ให้นักเรียนฟังแต่ครูไม่รู้อยู่ไหนหายไปเลยนะไม่มีครูมานั่งฟังธรรมด้วยนอย่างนี้เนี่ยนะนักเรียนจะเชื่อแดองไหลนะว่าสิ่งที่ครูพูดเนี่ยสิ่งที่ครูสอนเนี่ยมันมันจริง เพราะว่าแม้กระทั่งครูก็ยังไม่ทำหรือว่าครูเองจริงๆก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พูดในสิ่งที่สอนในสิ่งที่บอกอันนี้มันที่จริงมันก็รวมไปถึงคนในครอบครัวนะมีหลายคนเนี่ยอยากจะให้คนใกล้ชิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่หรือ ลูกหลานเนี่ยสนใจธรรมะอันนี้เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะอยากจะให้คนใกล้ตัวคนรักสนใจธรรมะและตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่แต่เพียงเขี่ยวเข็นนะให้ลูกให้คนรักเนี่ยฟังธรรมนะหรือว่าเข้าวัดจริงตัวเองก็ทำเหมือนกันนะอันนี้ก็ดีแต่ว่า หลายคนเนี่ยในครอบครัวนี้พบว่าพ่อแม่ก็ดีสามีภรรยาก็ดีเข้าวัดเป็นอาจินปฏิบัติธรรมอยู่ บ, บ่อยๆแต่ทำไมยังเป็นคนเจ้าอารมณ์ยังเป็นคนขี้งุนงิดยังเป็นคนชอบบน่นนะชอบว่าคนที่เห็นแบบนี้เนี่ยนะ เขาคงจะสงสัยนะเอ๊ะถ้าธรรมะดีจริงเนี่ยทำไมพ่อแม่ของเราหรือว่าทําไมคนรักของเรานะยังเป็นคนเจ้าอารมณ์ยังเป็นคนขี้บน่นนะยังเป็นคนขี้งุดหงิดนะแล้วนี้เขาจะเชื่อได้ไงว่าธรรมะนี่มันดีมันประเสริฐนะเพราะว่าคนที่บอกว่าธรรมะดีเนี่ยแต่ที่จริงแล้วนี่ก็ยังจิตใจรุ่มร้อน ยังเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อ น, นหรือบางทียังมีความเห็นแกตัวด้วยซ้ําเนี่ยนั้นมันจะดีกว่านะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเคี่ยวเข็นให้เขามาสนใจธรรมะหรือว่ามาฟังธรรมหรือว่าสวดมนต์หรือว่าเข้าคอร์สแต่ว่าทําให้เขาเห็นนะให้เขาเห็นอะไรนะเห็นความสงบเย็นนะ ถ้าว่าทําให้เขาเห็นความสงบเย็นของเรานะชนิดที่เรียกว่าแม้ว่ามีใครจะมาต่อว่าด่าทอก็แม่จะอาการหัวเสียออกไปไม่ทําให้คนที่เห็นเนี่ยเขาสงสัยหรือเกิดความสนใจขึ้นมาว่าธรรมะนี่มันมันดียังไงนะหรือมันดีอย่างนี้เฉลือนะทําให้ พ่อแม่ของเราทําให้คนรักของเรานี่เขาสงบได้ยังมีบางคนนะเห็นเพื่อนถูกดา่าแต่เพื่อนก็ยิ้มเพื่อไม่โกรธเลยนะคนที่มาดา่านะใจเย็นได้คนที่เห็นเนี่ยเขาก็แปลกใจนะอทําไมเนี่ยเพื่อนเราเนี่เขาถึงสงบเย็นได้หรือเป็นเพราะเขาปฏิบัติธรรมหรือเพราะเขามีสติไอ้แบบนี้เนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยให้คนที่เห็นเนี่ย เกิดความสนใจขึ้นมานะพราเห็นอนิสงของคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยใจเย็นนะหรือว่ามีความเมตตากรุณาใน ว, วิธีนีนะ้การทำให้ดูอยู่ให้เห็นเนี่ยหรือเย็นให้สัมผัสได้เนี่ยนะมันมันเป็นวิธีการที่จะเชื้อเชินคนรักคนใกล้ตัวให้มาสนใจธรรมะได้ดีกว่าการพูด การเขี้ยวเข็นหรือว่าการเอาขยันส่งริ่งส่งแชร์เรื่องธรรมะไปให้นะอันนี้ดีอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนี่นะยังเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเป็นคนยีดแก่ตัวเป็นคนที่มีอัตตาอะไรมากระทบก็ไม่ได้เนี่ยคอยเห็นแบบนี้นี่เขาก็ไม่เกิดศรัทธาในธรรมะเพราะขนาดปฏิบัติธรรมเข้าวัดมามากมายัางเป็นอย่างนี้นะ แล้วมันจะดีได้อย่างไรนะนนวิธีการเชิญชวนให้คนมาสนใจธรรมะเนี่ยหรือว่ามามีศีล ม, ม, ม, มีธรรมเนี่ยมันไม่ใช่การพูดนะแต่มันคือการปฏิบัติให้เห็นไม่ได้เพื่อโชว์ด้วยนะแต่ว่าเป็นธรรมชาติอย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสได้อย่างนี้แหละนะที่มันจะทําให้คนเกิดศรัทธาในธรรมะนะในศีลในการปฏิบัติในการเจริญสติ